นะโมตัสสะพะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกวาโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนามัสสามิ บัด น, นี้จักได้แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะเคารพเถิดหัวข้อที่9บุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาษิตเจรบปบะวสิง์บุริสังทุระโตโสธิมาคตังยาติมิตตา สุหัสชาจะอภินันธันติอาคตังตเทวะกตปุญญปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิคันหันติปิยัญยาติวะอาคตังแปลว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใด บุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉะนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรไภในโลกนี้แล้วยังไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วย บางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เ ช, เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งญาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบา ร, รมีน้อยมีอาสวะมาก เข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยหยาบต้องขัดเกล่านานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกล้าได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็ว บางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลา ม, มุกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุ ป, ปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยาก เพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมา ท, ที่ลึกซึ้งได้ทางที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้วงเล็บคือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆ อ, อบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังการคิด สอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ย่อมจะเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉนันผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่า คนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์นั้นท่านผู้มีญาณคือหูทิพตตาทิพยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพย์จึงต้องรู้ด้วยสิ่งที่เป็นทิพย์เช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี่เอง ท่านผู้ต้องการความเข้าใจเรื่องนี้ควรหามาอา่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพย์และชีวิตหลังจากตายให้ความหมายแปลโดยสิริพุทธสุขสำนักคนควา้าทางวิญญาณของพรรัตนสุวรรณจัดพิมพ์หนังสือชุดนี้มีสี่เล่มด้วยกันก็น่าอ่านเหมือนกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่นก็มี โลกอื่นรวมรวมโดยพระกิติมนเมฑีวัดบุพพารามทนบรุรีปัจจุบันเป็นพระพราอดีรกให้ทั้งความพเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่นก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งเชให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านี้เป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิ้น ส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระคาถาที่ยกไว้เบื้องต้นนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารภนายนันทิยะมีเรื่องย่อดังนี้ในกรุงพา ร, ราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์ เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทิยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทําใจให้ศรัทธาในพระตนตรยัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูราดอาสนะ ตั้งเชิงบาทรับบาทนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองคือท ร, รมกรกเมื่อพระสันเสร็จแล้วให้ล้างบาทเมื่อทำได้อย่างนี้นันทิยะย่อมจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะจึงยอมทำตามที่มารดาบิดาของนันทิยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทิยะฟังนันทิยะจึงยอมแต่งงานด้วย ต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะตายแล้วนางก็ได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทิยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานะพอดีเตรียมทานสําหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สําหรับคนกําพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่ง เสนาสนท า, านจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในวิหารวิหารอิสิปัตนมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกแล้วถวายน้ำทักษิโนโทกแดดพระตถาคตลำดับนั้นปราสาทที่พร้อมด้วยเหล่าเทพอภิสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลก วันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคลานะจารจิกไปในเทวโลกยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอภิษณเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ท่านทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อ น, นันทยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ปราอิสิปัตนะฝ่ายพวกนางเทพอภิษณเห็นพระเถระแล้ว ลงจากปราศาสตร์นวัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบริจาริกาของนายนันทยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แลโโ้วกรุณาบอกเขาด้วยขอให้ละมนุษย์สยะสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพยะสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคาด้วยเถิด พระมหาโมคลานะเทระกับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพยสมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษย์โลกหรือพระาศาสดาตรัสว่าโมคคลานะก็ทิพยสมบัติเกิดขึ้นแก่นันทิยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคลานะ บุญที่บุคคลทาแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้นะเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีเป็นอาธิมีนยะดังพรนนานามาแล้วแต่ต้นนั่นแหละวรที่16ชื่อปิยะวคะควรนานารวมกล่าวเรื่องจบเพียงเท่านี้ สว่าด้วยความโกรธโกทะอคคะวันนาหัวข้อที่หนึ่งพึงละความโกรธพระพุทธภาสิโกทังชะเหวิปชะเหยะมานังสังโยชะนังสัพพะมะติกะเมยยะตังนามรูปัสมิ มสัสชมานงอากินจ น, นาตุปตันติทุกขาแปลว่าบุคคลควรละความโกรธละความถือตัวก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกถึงบุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลความโกรธเป็นอย่างไรรู้จักกันดีอยู่แล้วที่สรงสอนให้ละความโกรธก็เพราะความโกรธมีโทษมาก มีโทษทั้งแก่ตัวผู้โกรธเองและผู้ถูกโกรธที่มีโทษแก่ตัวเองนั้นเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นทำให้น้ำย่อยอาหารไม่ออกมาตามปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมือสัน่นปากสัน่นขาดการควบคุมตนบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผลที่ออกมาก็คือการด่าการทุบตีหรือประหารผู้อื่นเมื่อกระทำลงไปเช่นนั้นแล้วพอหายโกรธก็เสียใจ แต่ทำคืนไม่ได้เสียแล้วอาจจะต้องถูกจองจำทำโทษเป็นเวลานานปีเสียชื่อเสียงจิตอยศเสียอนาคตอันควรจะรุ่งโรธความโกรธทำให้สติปัญญามืดมนความโกรธเหมือนเมฆหมอกมาบางังแสงสว่างคือดวงปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าอันทะตะมังตถาหูติยังโกโทสหเตนะรัง เมื่อใดความโกรธครอบงำบุคคลแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดมนดังนี้เมื่อมืดมนก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้ทางควรเว้นหรือควรเดินตกหลุมบ่อและถูกขวากหนามได้ง่ายเป็นอันตรายแก่ตนเองนี่คือส่วนที่เป็นโทษแก่ตนเองส่วนที่เป็นโทษแก่คนอื่นนั้นคือเมื่อผู้โกรธ ไปด่าว่าเขาอย่างเจ็บแสบหรือไปประหารเขาย่อมทำให้เขาโกรธเคืองก่อความทุกข์ให้แกเขาหากเขาต้องตายไปเพราะการประหารนั้นลูกเมียของเขาก็เดือดร้อนประมาณไม่ได้เรียกว่าก่อทุกข์ให้คนจำนวนมากมารดาบิดาของเขาก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยยิ่งรายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ลูกเมียเพียงตัวคนเดียวแลวพ่อแม่ลูกเมียของเขาจะได้ใครเลี้ยงลองคิดดูเถิด ว่าคนเหล่านั้นจะลำบากสักปานใดแม้มารดาบิดาของผู้โกรธเองก็ย่อมจะถึงทุกโทมนัดหาน้อยไม่เมื่อรู้ว่าลูกของตนต้องได้รับโทษทันต้องติดคุกตารางไปลำบากยากแค้นความโกรธเป็นของไม่ดีก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมากมายชนีท่านยังสอนให้ละเสียทรงแสดงอานิสงส์ว่าผู้ละความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขและไม่ต้องเศร้าโศก ส่วนวิธีละความโกรธนั้นท่านแสดงไว้มากมายในคำภีวิสุทธิมรักจะขอยกมากล่าวพอได้ใจความดังนี้วิธีละความโกรธตามในยะวิสุทธิมรัก 1. ท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและเห็นคุณของขันติและเมตตาก่อนเพราะบุคคลจะไม่สามารถละสิ่งที่ตนยังไม่เห็นโทษได้ 2. ให้แผ่เมตตาไปในตนและคนอื่นว่าขอให้ตนมีความสุขและสรรพสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุขที่แผ่เมตตาให้ตนนั้นเพื่อให้ตนเป็นพยานว่าตนรักสุขเกลียดทุกชั้นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ชั้นนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเปบียบเบียนผู้อื่นสเพื่อบรรเทาความแค้นเคืองพึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลผู้เป็นศัตรูคู่เวีนบ่อ ย, อยจนใจของผู้แผ่อ่อนโยนลง 4. ถ้ายังไม่หายพึงระลึกถึงพระพุทธโอวาทในกะกะจุปมัสูตรบ่อยๆข้อความแห่งกะกะจุปโมวาทะหรือจูปโมวาทนั้นว่าภิกษุทั้งหลายหากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดระทุสร้ายโจร น, นั้นอยู่ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทของเราไม่ นหนผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น 5. ทรงเปรียบคนขี้โกรธเหมือนฟืนเผาผีที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูด จะจับข้างทั้งสองก็ร้อนจะจับตรงกลางก็เหม็น 6. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงความดีของเขาบ้างคือโดยปกติคนคนหนึ่งย่อมมีอะไรดีอยู่บ้างแม้ไม่มากสักอย่างหนึ่งพึงระลึกถึงส่วนดีอันนั้นของเขาแล้วบรรเทาความโกรธเสีย 7. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงโอวาทตนบ่อยบ่อยวงเล็บถ้าเป็นพระ ก็พึงโอวาทว่าสู้อุตสาหะโลกียะสุขทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งทีละได้โดยยากมาแล้วฉไหนจึงยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธเล่าเป็นต้นคนเป็นเวรกันทำทุก์ให้ท่านที่กายเหตุฉะไหนท่านจึงลงโทษตนเองที่ใจเล่าความโกรธทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือวงเล็บในข้อ7นี้มีความละเอียดน่าสนใจมากยกมาเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่าง แถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงกรร ม, มรสกตะตาคือความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมเช่นใดไวย้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นเองคือจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองเราเป็นผู้โกรธก็จะต้องได้รับผลแห่งความโกรธนี้เองเป็นตน้น 9. ก้าถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงอนุสอถึงพระจริยาของพระาศาสดาที่เคยทรงลำบากมา เคยทรงทุกทรมานเพราะการกระทําของผู้อื่นมากมายหลายชาติหลายประการแต่หาได้ทรงผูกโกรธหรือผูกเวรต่อผู้ใดไม่เช่นสมัยที่ทรงเป็นช้างรักษาศีลทรงยอมให้พ่านตัดงาถึงสามครั้งแต่หาได้ไมีใจประทุสร้ายในพ่านนั้นไม่ในข้อนี้ท่านประมวลมาซึ่งจริยาของภาษาสดามากหลายในอดีตเช่น สีละวะชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทจุลธรรมปาลชาดกสันทันตชาดกเรื่องมหากบีคือลิงใหญ่เรื่องโพริทัตตาชาดกเรื่องจำเปยยะนาคราชเรื่องสังคปาลนาคราชเป็นต้น 10. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงความยาวของสังสารวัต ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้คนที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดาพี่ชายพี่หญิงน้องชายน้องหญิงและญาติสายโลหิตมิตรสหายเป็นไม่มีเขาเป็นศัตรูคู่เวรกับเราในชาตินี้แต่ชาติ ก, อก่อนๆเขาอาจเคยเป็นมารดาบิดาเป็นต้นผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราบางทีอาจเคยยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเราก็ได้ 11. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระ ล, ลึกถึงอานิสงค์ของเมตตาที่พระทศพลทรงแสดงไว้11ประการมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นต้น1 2ถ้ายังไม่หายโกรธอีกท่านสอนให้แยกาธาตุคือพิจารนาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงาธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเป็นเพียงศัก์แต่ว่ า, าธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมจะโกรธอะไรเล่า 13. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้เผื่อแผ่แบ่งปันคือให้ของแก่พวกที่เราโกรธหรือรับของที่เขาให้หากทำได้ดังนี้ความโกรธเกลียดย่อมจะระงับไปอย่างแน่นอนท่าว่าโปรดดูรายละเอียดในคำภีวิสุทธิมรรคฉบับบารีภาคสองพรหมวิหารนิเทศท่านแสดงอนุภาพของทานไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สาเร็จ พายกย่อมบันเึงด้วยการให้ฝ่ายปฏิกาหกย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยปิยะวาจาท่านผู้อ่านจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ทันสมัยเพียงใดข้าพเจ้าเคยอ่านตำรา จ, จิตวิทยาเกี่ยวกับผลร้ายของความโกรธและอุบายเอาชนะความโกรธมาหลายบทหลายสำนวนเห็นว่าไม่ได้เกินคาแนะนาที่ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ไว้นี่เลย พระธรรมนั้นเป็นสว่าขาแตธรรมจริงๆ 2. พึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคาว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความท่นงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กาลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคาที่มีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายาม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 มีความรู้ความสามารถดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงอาจเป็นอย่างนั้นได้คือสูงกว่าหรือมีความรู้ความสามารถมากกว่าก็เพียงในด้านใดด้านหนึ่งคือในบางเรื่องเท่านั้นเช่นกอมีความสามารถกว่าขอในเรื่องดนตรีแต่ขอมีความสามารถมากกว่ากในด้านงานเกษตรดังนี้เป็นต้นแม้คนที่ทางานอยู่ด้วยกันเป็นนายเป็นลูกน้องของกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่า นายจะมีความสามารถเหนือลูกน้องไปทุกด้านนายอาจจะมีความสามารถในด้านบริหารแต่เมื่อต้องพิมพ์หนังสือราชการนายอาจจะสู้เสมียนพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องกวาดสำนักงานล้างซ่วมนายอาจทำให้ดีเท่าพานโรงไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้า จึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเยียดยามกันควรเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเพื่อจะลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปปกติสัตว์โลกมีอัศมิมานะหรือมาณนะด้วยกันทุกคนโดยปริยายเบื้องสูงหมายถึงความสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัวเราหรือที่ท่านเรียกตามสำนวนจิตวิทยาว่าปมเขื่อง พูดอย่างทางแอดเลอร์ก็ว่ามีความรู้สึกที่จะทาตัวให้เด่นเมื่อใดการทำตนให้เด่นนั้นถูกกีดขวางไม่ให้การกระทำดำเนินไปเมื่อนั้นผมด้อยก็เกิดขึ้นอันที่จริงปมด้อยก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือปมเคื่องที่ลดลงนั่นเองเหมือนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงคนมีผมด้อยในเรื่องใดไม่ได้หมายความว่าปมเคื่องในเรื่องนั้นของเขาจะไม่มีแต่มีอยู่น้อย เราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปเจอคนที่มีปมด้อยในเรื่องนั้นกว่าเขากลับแสดงปมเขื่องได้ทันทีตัวอย่างนักเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเขาจะรู้สึกด้อยเพราะความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาสู้ครูไม่ได้แต่พอรับรหลังครูได้อยู่ในหมู่นักเรียนชั้นต่ำกว่าเขากลับมีปมเขื่งในเรื่องภาษาอังกฤษเพราะสามารถทําตนให้เด่นได้ อธิบายให้นักเรียนชั้นต่ำกว่าฟังได้อย่างภาคภูมินี่แสดงว่าปมด้อยก็คือปมเรื่องที่ลดลงนั่นเองมิตรสหายที่คบกันอยู่ในได้นานและต่างถูก อ, อกถูกใจกันนั้นก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็รลอเลี้ยงอัศมิมานะหรือปมเขื่องของกันและกันไว้ได้ถ้ายิ่งฝ่ายใดยอมลดตนลงให้อีโก้ ของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้นมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่รักที่ปราณีของฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าใครไปข่มอัศมิมาณนะหรือปมเขื่องของเขาเข้าโดยที่เขาไม่ยินดียอมเองเขาก็จะต้องเจ็บใจเห็นเป็นว่าดูถูกกันและต้องเลิกคบกันท่านจะเห็นว่ามาณนะมีความหมายในชีวิตมนุษย์และสัตว์เพียงใดท่านพุทธทาสภิกขุ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 ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละเสียมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งสละเสียได้แล้วจะมีความสุขดังที่พระองค์ทรงเป่งอุทานเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆว่าอัศมิมาณสสวินโยเอตังเวปรมังสุ ข, ขังสละอัศมิมาณเสียได้นั่นแลเป็นบรมสุขคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องรบราฆ่าฟันกันก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นมูลเดิม ถ้าละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ละได้ก็จะมีความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องของโลกไรๆ 3. ร่ล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียสังโยชน์แปลว่ากิเลส ท, ที่เกี่ยวกะหรือหน่วงเหนียวสั์ไว้ในภพไม่ให้อิสระไปจากภพทรงแสดงไว้สิประการเป็นเบื้องต่ำวงเล็บโอรัมภาคิยะ ห้าเบื้องสูงอุดธมภากิยะห้าดังนี้สังโยชน์เบื้องต่ำห้า5 1. สักยทิฏฐิความเห็นในตัวตนความยึดมั่นในตัวตน 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในคุณพระัตนตรยัยและในทางดำเนินให้ถึงนิพพาน 3. ส, สีลพัตปรามาตความรูปคลังศีลและพจน์หรือวัด 4. การมราคะความกหนัดในกาม ห้าปฏิฆะความหงุดหงิดกระทบกระทั่งทางใจ3ประการแรกพระโสดาบันและพระสักทาคามีละได้2ประการหลังพระนาคามีละได้สังยชนดเบื้องสูงหคือ 1. อรูปราคะความติดใจในรูปฌปานคือรูปภพสออรูปราคะความติดใจในอรูปฌปานคืออรูปภพ สามมานะความถนงตนความถือตัวสอุทธจักความฟุ้งซ่าน 5. อาวิชชาความไม่รู้หอย่างนี้พระอรหันต์ละได้คําว่าล่วงสังโยชน์ก็คือข้ามผลสังโยชน์ทั้งสิประการนี้เมื่อข้ามพ้นแล้วย่อมไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กังวลอีกต่อไปด้วยประการชนี้ทุกย่อมไม่ตกถึงเขาทุกย่อมไม่ติดตามเขาไม่เบียดเบียนย่ํายีเขา เรื่องนี้พระทศพลทรงแสดงแก่พระนางโรฮินีพระญาติของพระองค์เองที่มีเรื่องย่อ ด, ดังนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศ า, ศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลละพัทสมัยนั้นพระอนุรุทธเทระไปเมืองกบิลละพัทพร้อมด้วยภิกษุบริวาร500รูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาท่าน เว้นแต่พระนางโรหินีพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงถามพระญาติว่าพระนางโรหินีไปไหนท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรหินีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังพระเถระจึงให้เชิญพระนางมาและแนะนำให้ทรงทาบุญทำอย่างไรท่านพระนางตรัสถามพระพี่ชายให้ความหมายพระนางโรหินีเป็นพระน้องนาง ของพระอนุรุท ธ, ธะมีพี่น้องสามคนด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรหินีทรงเป็นพระชาโอรสทิดาของอมิโตทนะพระอ น, อนุชาของพระเจ้าสุโทธทนะพระเถระจึงบอกกุบายให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำนายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทําลงฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ ขอให้พระญาติที่เป็นชายช่วยกันดําเนินการสร้างโรงสันให้เรียบร้อยพระนางโรหินีขายเครื่องประดับได้กหาปณะนะมาหมื่นกหาปณะนะทรงสละให้สร้างโรงฉันทั้งหมดทําเป็นสองชัน้นเมื่อเสร็จแล้วพระนางได้ปัดกวาดโรงฉันเป็นประจำตั้งน้ําฉันน้าําช้ถวายโภชน ي ยะขาธิยาหารแก่ภิกษุสงฆ์โรคผิวหนังของนางค่อยๆหายไปทีละน้อยด้วยอาศัย ให้บุญช่วยต่อมาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนมากเสด็จมาเสวยที่โรงอาหารของพระนางโรหินีเสวยเสร็จแล้วตัดถามหาเจ้าของทานเมื่อพระนางโรหินีมาเฝ้าแล้วจึงตัดถามว่าทราบไหมว่าโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอะไรพระนางทูลตอบว่าไม่ทราบพระพุทธองค์จึงตัดว่าเกิดขึ้นเพราะความโกรธ หม่อมชั้นทำกรรมอะไรไว้พระเจ้าค่าพระนางทูลถามพระศาสดาจึงทรงแสดงบุพกรรมของพระนางโรหินีดังนี้บุพกรรมของพระนางโรหินีความว่าในอดีตการพระนางโรหินีเกิดเป็นอครมเหสีของพระเจ้ากรุงพระนาศีมีจิตริศยาหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งของพระราชาจึงทําเองด้วยให้คนอื่นทําด้วยซึ่งกรรมคือการเอาผงเต่ารางจนเต่ารางเลยนะ ที่มีเย่ะแยะที่วัดเหรือหมามุ้ยใหญ่โรยรงที่ตัวของหญิงนักฟอนนั้นเป็นทำนอง ย, ออย้อยหยันเล่นและให้คนเอาผงเต่ารางไปโปรยไว้บนที่นอนของหญิงนักฟอนนั้นหญิงนักฟ้อนคันมากเป็นผื่นผุพองขึ้นมาทันทีได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสนี่คือบุพกรรมของพระนางโรหินีพระศาสดาทรงเล่าเรื่องนี้แล้วจึงตัดต่อไปว่า บุคคลพึงละความโกรธพึงสละความถือตัวเสียเป็นต้นตามที่พณ น, นามาแล้วแต่ต้นพระนางโรหิณีสดับพระธรรมเทศนาแล้วดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลมีสรีระเกลียงเกลาดังทองคำในขณะนั้นเองจุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในภพดาวดึงเป็นเทพธิดาที่รูปงามมากจนเทพระบุษีองค์ต้องแย้งกัน ไม่อาจตกลงกันได้จึงพากันไปหาเท้าส ก, กะจอมเทพแห่งชั้นดาวดึงให้ช่วยตัดสินเท้าส ก, กะถามทีละองค์ว่ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นนางองค์ที่หนึ่งทูลว่าใจเต้นเหมือนกลองศึกยามสงครามองค์ที่สองทูลว่าใจเล่นไปเร็วเหมือนกระแสน้ําที่ตกจากภูเขาองค์ที่สมทูลว่าตาของเขาเหมือนตาปูองค์ที่สี่ทูลว่าใจของเขาหวั่นไหว เหมือนธงบนยอดเจดีเท้าสกะเห็นนางแล้วรักเหมือนกันจึงกล่าวว่าความรู้สึกของท่านทั้งหลายยังพอระ ง, งับได้ก่อนแต่ฉันเองถ้าไม่ได้นางจะต้องตายเอาทีเดียวเพราะฉะนั้นจงให้ฉันเถอะเทพบุตรทั้งสี่จึงพร้อมใจกันถวายนางแก่ทา้าสกะปรากฏว่านางเป็นที่รักที่พอพระทัยของเทา้าสกะยิ่งนัก ความโกรธยังมีโทษเยอะขนาดนั้นเนาะฉะนั้นไม่ควรโกรธนีก็มันเป็นสาเหตุให้ทํากรรมไงความไม่พอใจมันก็เลยเป็นสะพานไปสู่กรรมเนี่ยเราจะทอะไรให้สะสมเนี่ยเมื่อไปทําผลของกรรมก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยเราจะทําโดยวิธีไหนด้านั้นแหละเนี่ยอันี้เป็นตามลักษณะของผู้หญิงก็ต้องทําลักษณะนี้นี่ก็ต้องเอาอะไรที่มัน อย่างเอาน้ำมีพิษไปสาดบ้างเหมือนเรื่องนางสิริมาใช่ไหมเอาน้ำกดไปสาดอิจฉาริษยาเอาอันนี้ใช้หมามุยใช้เต่าร้างเนี่ยไปสาดเนี่ผลมันก็เกิดขึ้นาการโรคบางอย่างหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายถ้าไม่หมดกรรม แล้อุบายที่ดีนะไปทำบุญเยอะๆก็แล้วกันนางขายเครื่องประดับไปก็แนะนำดีนะครับพี่ชายท่านเป็นพระอรหันต์ในพระอนุรุทธะแนะนำให้สระทรัพย์ของตนเองเลยไปสร้างโรงฉันแล้วไปปัดกวาดทุกวันทุกวันอุปธรรมประทากพระภิกษุสงฆ์ด้วยจิตใจบริสุท์ก็บรรเทาได้เหมือนกันนั้นเกิดจากโลกกรรม 2. ผู้ข่มความโกรธพระองค์ทรงตัดเป็นพุทธภาษิตว่าโยเวอุปติตังโกทังระถังพันตังวทารเยตะมหังสารถิโรรมิรัสมิขาโหอิตโรชโนแปลว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เหมือนสารถีห้ามรถเทเลนให้หยุดได้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสารถี คนที่ไม่สามารถท่ามรถได้หาเรียกว่าสารถีไม่เขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นความโกรธเป็นอย่างไรทราบกันอยู่แล้วโทษของความโกรธและทางละความโกรธได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวัดนี้ในที่นี้ทรงยกย่องผู้ข่มความโกรธไว้ได้ว่าเป็นผู้ประเสริฐเหมือนสารถีที่ชํานาญสามารถท่ามรถให้หยุดได้ตามประสงค์ ส่วนคนที่ห้ามความโกรธไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธออกมาอารวาสอยู่เนืองเนืองเหมือนคนขับรถที่เอารถไว้ไม่อยู่จะเรียกว่าคนขับรถที่ดีได้อย่างไรเขาเป็นแต่เพียงคนถือเชือกเท่านั้นวงเล็บนี่หมายถึงสมัยที่ใช้รถเทียมมาถ้าสมัยแห่งการใช้รถยนต์เขาก็คงเป็นแต่เพียงคนถือพวงมาลัยหาใช่คนขับรถที่ดีไม่ สํานวนอย่างนี้เทียบได้กับสํานวนไทยสมัยปัจจุบันหลายสํานวนเช่นเขาเป็นเพียงคนสอนหนังสือเด็กหาใช่ครูไม่หมายความว่าเขาไม่มีคุณสมบัติแห่งครูเขาเป็นเพียงเรือจ้างรับค่าจ้างค่าสอนเท่านั้นไม่เป็นปูชนียบุคคลเพราะไม่มีคุณสมบัติแห่งครูหรือเขาเป็นเพียง คนทาลูกให้เกิดเท่านั้นหาใช่มารดาบิดาไม่นี่หมายถึงคนที่ไม่มีคุณสมบัติของมารดาบิดาดังนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าคนที่ไม่ยอมอดทนอดกลั่นต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆนั้นจะต้องไปอดทนต่อสิ่งใหญ่ๆซึ่งจำต้องอดทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตัวอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักอดทนต่อคาหยาบหรือคาเสียดสีของคนอื่นเพียงเล็กน้อยไปทาร้ายเขาถึงบาดเจ็บถึงตาย ตนเองต้องไปติดตาราง10ปีบ้าง20ปีบ้างซึ่งต้องอดทนมากถ้าเขายอมอดทนเรื่องเล็ ก, ล ก, ลกน้อยเสียแต่ต้นไม่ไปทำร้ายเขาก็ไม่ต้องไปใช้ชีวิตอย่างทรมานอยู่ในคุกเรื่องทางเพศก็เหมือนกันคนที่ก่ออาชญากรรมทางเพศก็เพราะไม่อดทนต่ออารมณ์ชั่วครู่ชั่วคราวเมื่อกระทำไปแล้วจึงเสียใจภายหลังเป็นนอนนึกได้อย่างดีก็ในห้องขังนนเพราะฉะนั้นจึงควรระงับ ความโกรธข่มความโกรธไว้เสียควรเป็นผู้ครอบงำความโกรธไม่ควรให้ความโกรธครอบงำตนการข่มความโกรธได้เป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญคนที่จะละความโกรธต้องหัดข่มความโกรธก่อนเหมือนคนจะจับงูพิษต้องเอาไม้มีง่ามกดคอมันไว้ก่อนแล้วตีมันให้ตายภายหลังจึงจะไม่มีอันตรายแก่ตนพระาศาสดาทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง และเทวดาคือรุกขเทวดาจึงตัดพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อดังนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่อัคคารวเจดีเมื่อพระาศ า, ะาะดะสาศดาทรงอนุญาตเสนาสนะแก่ภิกษุสงฆ์แล้วเมื่อเศรษฐีกรุงาราชคฤหเป็นต้นกำลังสร้างเสนาสนะถวายสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ภิกษุชาเมืองอาราวีรูปหนึ่งกําลังสร้างเสนาสนะของตนอยู่เหมือนกันเห็นต้นไม้ที่พอใจต้นหนึ่งจึงปรารบจะตัดรุกเทวดาองค์หนึ่งอุ้มลูกวายที่เอวรีบมาหาพระขอร้องว่าพระขุนเจ้ากรุณาอย่าตัดวิมานของข้าพเจ้าเลยถ้าพระคุณเจ้าตัดแล้วข้าพเจ้าจะไม่มีที่อยู่ต้องอุ้มลูกเล่ร่อนไปแม้กระ น, นั้นภิกษุนั้นก็ไม่ฟังเสียงเพราะคิดว่า เราจะไม่ได้ต้นไม้อย่างนี้ในที่อื่นเทวดาคิดว่าพระเห็นเด็กน้อยแล้วอาจมีจิตเมตตาเว้นการตัดต้นไม้นี้จึงวางบทไว้บนกิ่งไม้ฝ่ายพิษุไม่อาจยั้งขวานที่ตนยกขึ้นแล้วได้วงเล็บคือยังไม่ทันฟันกิ่งไม้ถูกเอาแขนทารกขาดเทวดาโกรธเป็นกำลังยกมือทั้งสองขึ้นจะฟาดภิษุนั้นให้ตาย แต่พันคิดได้ว่าภิกษุนี้เป็นผู้มีศีลถ้าเราฆ่าเสียเราก็จะต้องตกนรกเทวดาอื่นๆเมื่อได้พบภิกษุตัดต้นไม้ของตนจกถือเราเป็นตัวอย่างแล้วฆ่าภิกษุทั้งหลายเสียภิกษุนี้มีเจ้าของคือพระพุทธเจ้าเราควรไปบอกกล่าวเจ้าของเสียก่อนคิดดังนี้แล้วลดมือลงร้องให้ไปสู่สำนัก คองภาษาสดาถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่หนึ่งอันสมควรแก่ตนกาสาวพัทคุ้มครองภิกษุได้อย่างนี้แม้ในกรณีที่น่าอันตรายก็ไม่ได้รับอันตรายเขากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ภาษาสดาทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ทรงประทานสาธุการสามครั้งว่าดีแล้วเทวดาเธอทํากรรมดีแล้วที่ห้ามความโกรธที่เกิดขึ้นเสียได้ ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดข่มความโกรธที่พุ่งขึ้นได้เป็นอาธิดังพรรณานามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบพระธรรมเทศนาเทวดาได้ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลแม้กระนั้นก็ยังไม่หยุดร้องให้เพราะเสียดายต้นไม้อันเป็นวิมานของตนไม่อยากจะเร่ร่อนไปในที่อื่นพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้นจึงทรงชี้ให้เทวดาไปสถิตณต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่เทวดาพึ่งจุติไปไม่กี่วันยังว่างอยู่เทวดาไปสถิตณต้นไม้นั้นตั้งแต่นั้นมาแม้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ก็เกรงใจเขาเพราะรู้ว่าต้นไม้นั้นพระพุทธเจ้าทรงประทานพระศาสดาทรงปรารบเรื่องที่พระไปตัดต้นไม้นี้จึงทรงบัญญัติภูตะคามศิขาบทห้ามพระตัดต้นไม้ตั้งแต่นั้นมา